โสดที่บ้านในวันพระเราจะต้องบอกตัวเองอย่างไรในการถือศีลแปลในวันนี้มีคำกล่าวอย่างไรแล้วก็อาหารที่รับประทานได้หนึ่งมือควรเป็นอาหารมังสวิรัตหรืออาหารที่ปรุงกับเนื้อสัตว์ได้เพราะต้องทานมือเดียวขอความเมตตาครับบอกกับตัวเองอย่างไรตั้งเจตนาอย่าง ก็ไม่มีคำกล่าวอะไรแค่เราเจตนา <c oughs> พูะเจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแค่เราตั้งเจตนาก็สำเร็จประโยชน์แล้วอาหารที่รับประทานได้หนึ่งมือ้อจะเป็นอาหารอะไรก็ได้ ใครสะดวกมังสวิรัตก็แล้วแต่ใครจะทานเนื้อผู้เจ้าก็ไม่ได้ห้ามพระองค์ห้ามการฉันเนื้อที่ได้เห็นได้ยินได้รังเกียดสามอย่างว่าเขาฆ่าเพื่อเราอันนี้ไม่ไม่ให้ฉันนะอกนั้นก็ทานได้ตามปกติหรือถ้าของพระก็มีเนื้อมนุษย์ห้ามฉันช้างมา้า หมางูเสือสิงห์มีเสือโค้่งเสือดาวเสือเหลืองเนื้อมนุษย์เนื้อสัตว์สิบอย่างห้ามฉันแต่ก่อนอนะ่ตมาไปเจอหลวงพ่ชชาก็บอกจะรับสินเขาก็ตั้งใจรับสินเสร็จแล้วโอ้ง่ายดีนะเจตนาเราก็เออเราก็เลยมีหลักความง่ายอย่างนั้นมาเรื่อย มาดูที่ผู้เจ้าท่านตรัสเรากล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแค่เราตั้งเจตนาก็สำเร็จประโยชน์แล้วไม่ต้องมีพิธีรีอตองอะไรมากน ะ, เ, นะเจตสิกที่พระอาจารย์พูดถึงมีเก้าคำคืออะไรบ้างความหมายคืออะไรเข้าประกอบกับจิตใช่หรือไม่และจิตมีกี่ดวง รูปแนวะพิธรรมมีกี่รูปแลนะหนังสือจะเสร็จเมาาื่อไหรทำเป็นแผ่นซีดีด้วยหรือไม่ครับขึ้นเจตสิกให้เขาดูหน่อยสิเกาคำ <c oughs> อันนี้ อ, อวุโสโตเป็นผู้ทีสแกนหามาเดิมเราสแกนในภาษาไทยจะเจอแค่2พระสู่3คํคำ เจตสิกัมปีเจตสิกกนจัดเจตสิกังแต่ท่านไปสแกนแอบลีบาลีเจอเกนะ้าคำก็ตามที่ขึ้นอ๋อยัไม่ได้ขึ้นนะจิตมีกี่ดวงนะจิตเนี่ยมีมากมายไม่มีประมาณเลย รัาคตคูตบอกว่าอุปมาจิตเหมือนลิงนะที่กระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้ไปเรื่อยๆในแนวป่าและพระองค์ก็บอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเรียก3ามชื่อแล้วนะจิตมโนวิญญาณเหมือนกันเกิดดับตลอด อันนี้คือเก้าคำมีอะไรบ้างนะก็ดูคำแปลนะนเจตสิกรัมปีความรู้สึกในใจเจตสิกังมันคู่กับเจตสิกังทุกขังความทุกข์ทางจิตเจตสิกังอาสาตังนี่คือคำที่เจอมึงทีคำมันก็ซ้อนกันความไม่สำราญทางจิตอภิเจตสิกานังจิตอันยิง่ง เจตสิกกายะทุขายะทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในจิตนะจิตตะเจตสิกังทุกขังทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในจิตเจตสิกาปีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางจิตเจตสิกังจะนะักษุขทางใจนะเจตสิกังจะสุขังนะสุ ข, ขนะปริลาหากายิยาวา เจตสิกาวาความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางจิตเจตสิกังปิทุกขังทุกที่เป็นไปในทางจิตก็มี9คําไม่เห็นเหมือนกับที่เราเรียนอภิธรรมกันมาเนาะอันนั้นปรุงแต่งขึ้นเจตสิกผู้เจ้ามีแค่นี้หมดละที่เป็นพุทธวจนะจบแล้วนะไม่ต้องไปนั่งท่องกันเจ็ดปีสิปี ท่องสองสัมวันฑ์ก็จำได้แล้วรูปในอภิธรรมมีกี่รูปและหนังสือจะเสร็จเมื่อไรทำเป็นแผ่นซีดีด้วยหรือไม่ก็ <c oughs> ต่อไปหนังสือเล่มเล็กๆนี่จะทำเป็นแผ่นซีดีควบคู่คคกันด้วยทั้งหมดนะกำลังให้คนอ่านแล้วก็กำลังอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ ถ้าทำภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเนี่ยจะมีโยมรับไปทำเป็นภาษาอินเดียใหนะ้ก็จะกระจายไปแล้วตอนนี้กำลังให้คนอีสานกับคนใต้อ่านนะเป็นภาษาอีสานกับภาษาใตนะ้ไปทุกภาษาเลยก็นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีกลุ่มอาสาสมัครนะที่เข้ามาช่วยทำงานก็จะ ช่วยรับกันไปทำญ <c oughs> าติโยมพวกเรานี่แหละนะรูปในอภิธรรมอภิธรรมไม่ได้ผู้เจ้าตรัสเรื่องรูปนี่อะไรนะอภิธรรมคือตัวโพธิปัจิยธรรมนะสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐานสีกายานุปัสสนาก็คือตัวลมหายใจนี่คำว่ารูปของพระธถาโคตเพราะพระองค์บอกว่ากิริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเยน็นหิวกระหายนี่เรียกว่ารูปอีกพระสูตรหนึ่งบอกรูปมีสองอย่างคือรูปที่ประกอบด้วยมหาบุท ธ, ธาสีกับอุปาทายารูปรูปที่มีอุปทานกับรูปที่เป็นดินน้ำาไยลม ซึ่งอุปาทายรูปก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนี้แหละนี่คือนิยามสับคำว่ารูปของพระธรรมคตในนี้มีนะจากพระโอษฐาเล่มนมี่มีลองไปดูลองให้ไปดูจิตอุปมาเหมือนลิงสิ <c oughs> อยู่ในพระสูตรที่พระเจ้าบอกยึดกายดีกว่ายึดจิตเพราะว่ากายเนี่ยยังพอเห็นความเสื่อมได้บ้างแต่จิตเนี่ยไม่มีทางเห็นความเสื่อมมาเลยมันเกิดดับเร็วมากพระองค์จัดแล้วก็อุปมาบอกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนว่านอนเมื่อเที่ยวไปในเมื่อเที่ยวไปอยู่ในป่าใหญ่ย่อมจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้น จับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเช่นนี้เรื่อยๆไปข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีมโนก็ดี ม, โ น, ดมโนคือใจว่าวิญญาณก็ดี <c oughs> ก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนั้นวิญญาณเนี่ยจะวนไปในสี่ธาตุนี้ นั้นขณะที่มันเข้าไปตั้งอาศัยในธาตุนี้เกิดนะตั้งอยู่สักพักดับไปรู้ธาตุใหม่แต่ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่อันเดียวกันอีกนะเป็นจิตที่ <c oughs> ดวงหนึ่งที่ดับเหมือนเหมือนไฟอะ่ะเหมือนแผงแผงไฟโฆษณาที่เราเห็นไฟมันวิ่งอะ่ะจริงๆมันไม่ไม่ได้วิ่งมันดับ มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดดวงนี้ดับดวงนี้เกิดดวงนี้ดับดวงนี้เกิดเราเลยเห็นเหมือนมันวิ่งนะ <c oughs> อุปมามาตรงนี้จริงๆลึกซึ้งกว่านั้นนะจริงๆจะเหมือนกับผู้มีวิชาเนี่ยนะที่จับยึดวิญญาณแต่ละดวงจับยึดวิญญาณแต่ละดวงไปเรื่อยๆเพราะหลงคิดว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเขาของเขาเขาหลงผิดเขาเข้าใจผิด นั้นวิมุตติยานทัศนะผู้รู้ในวิมุตต์เนี่ยก็เข้ามีความหลงผิดก็เลยเข้าไปยึดถือวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราพอวิญญาณดวงนี้แตกสลายด้วยความยึดถือก็จะเปยยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อไปจึงมีการมาการไปซึ่งจริงๆวิญญาณเนี่ยไม่มีมาไม่มีไปที่สาติเกวัตบุตรบอกผู้เจ้าเนี่ยวิญญาณเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆผู้เจ้าบอกโมคบุรุษตถาคตไม่เคยกล่าวอย่างนั้น ตถาคตกล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปัาทธรรมโดยปริยายเป็นนั้นมากไม่ใช่หรือวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับก็ไปดับก็ดับเพราะเหตุปัจจัยดับอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิญญาณที่เก่ออารมณ์นี้กับวิญญาณที่เก่ออารมณ์นี้โคละอันกันนะขณะจิตรู้กายอยู่นะแล้วเราไปคิดเรื่องอดีตเนี่ยวิญญาณดวงที่ก่อนนี้จะดับไปนะวิญญาณดวงใหม่จะเกิดขึ้น เข้าไปรับรู้อารมณ์ใหม่ก็อยู่ที่ว่าผู้หลงเนี่ยเข้าไปยึดวิญญาณดวงไหนสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นในความรู้ของเราแค่นั้นเองทีนี้โยมดูว่าในเมื่อวิญญาณเนี่ยมันคนละดวงกันนะเมื่อมันเกาะอารมณ์นี้แล้วดับไปสมมุติว่าโยมหยุดภาพตรงนี้นะว่าวิญญาณดวงนี้ดับไปแล้ว วิญญาณดวงใหม่ที่เกิดในโลกธาตุก็เต็มไปหมดแต่ผู้หลงเนี่ยยังไม่เข้าไปยึดแต่เตรียมจะไปยึดวิญญาณดวงใหม่สมมติเราหยุดภาพทั้งหมดได้วิญญาณดวงนี้ดับไปแล้ววิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดนะชั่วเซี่ยลหนึ่งในล้านวินาทีเนี่ยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือที่ที่ไม่มีวิญญาณไม่มีรูปนามใหม่ก็ยังไม่เกิดไม่มีนาม ไม่มีรูปวิญญาณก็ดับไปแล้วเนี่ยความว่างตรงนี้คือบิดพุทธนะซึ่งเป็นสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนแต่พอเราประกอบด้วยอวิชชาเราจึงพอใจวิญญาณดวงใหม่แล้วก็คว้าวิญญาณดวงใหม่ที่ไปก่ะอารมณ์ใหม่ต่อไปยึดถือวิญญาณว่าเป็นเรานะจึงเกิดความต่อเนื่องในการเกิดของวิญญาณไปเรื่อยต่อเนื่องไปเรื่อยการต่อเนื่องนี้จึงมีเพราะอวิชชา ความหลงผิดความเข้าใจผิดนั้นถ้าอาวิชชาดับได้นะการเข้าไปยึดถือวิญญาณดวงใหม่ก็จะไม่มีนะจิตก็จะอยู่ในสภาวะของวิมุติเหมือนเดิมนะนั้นพระเจ้าจึงให้ระวังรอยต่อของการเปลี่ยนอารมณ์แค่นั้นเองโนะยมจึงไม่จะไม่สงสัยว่าทำไมละนันทิแล้วจิตหลุดพ้นได้ง่ายๆละนันทิปังมันจะผ่านวิมุติทันทีเลย เพราะวิญญาณดวงหนึ่งจะดับไปวิญญาณอีกดวงจะเกิดขึ้นทุกขณะที่มีการเปลี่ยนอารมณ์ผ่านวิมุตตลอดผ่านวิมุตตลอดหนึ่งในล้านหนึ่งในพันล้านวินาทีแปบ๊บเดียวนะซึ่งเป็นของที่ละเอียดปราณีเราจะไม่รู้สึกความสะดุดอะไรเลยทีนะ น, นี้เราไม่สามารถเข้าถึงสภาวะตรงนี้ได้พทะเจ้า <c oughs> ถึงให้ละความเพลินให้เร็วดุจกระพิบตาก่อน จิตรู้ลมหายใจอยู่ดับไปปุ๊บไปรู้อารมณ์ใหม่เพลินไปเคยเพลินไปครึ่งชั่วโมงลดเหลือ10นาทีลดเหลือ5นาทีฝึกไปอีกปี10ปีลดเหลือนาทีหนึ่งฝึกไปปี2ปีเหลือกับพิบตาเดียวเอาละทีนี้จิตดับปับ๊บก็อารมณ์ใหม่วินาทีเดียวยมดับได้กลับมาอยู่อย่างเดิมเห็นมนะทีนี้คอยดูต่อไป ดูมันทได้ขนาดนี้ผู้เจ้าก็ชมว่าอินทร์สีภาณาชั้นเลิศแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องไปปรุงแต่งอะไรไหมไม่ต้องปรุงแต่งอะไรระวังเวลาจิตเปลี่ยนปับป๊บปกลับมามีสติกลับม า, มบมาค่อยมีสติกลับมาแค่นั้นเองหรือละความเผลอเล่ากลับมาเทนะ่ากับว่าจิตเนี่ยพอดึงกลับมาปุ๊บเนี่ยดวงนี้ดับผ่านมิมุตินิดหนึ่งอวิชชาหลงคว้าวิ ญ, ญญาณดวงใหม่ที่ก่อนนี้ต่อนะมันข้ามห้วงนี้แป๊บเดียว เพราะนั้นช่วงที่ทจิตตั้งมั่นเนี่ยพรเจ้าจึงบอกว่าให้เข้าไปเฝ้าดูดีๆนะเฝ้าดูให้เห็นอะไระขณะที่วิชาวิมุตจะเกิดขึ้นนะขณะที่จะตรัสรู้ธรรมพูะเจ้าบอกว่าอาศัยวิเวกคือความนิ่งของจิตที่ตั้งมัน่นอาศัยวิลาคะจิตที่จางคลายจากอารมณ์นี้อาศัยนิโรดดับ ครูชาบอกให้น้อมไปเพื่อโพสสักขะรีบ ป, ปล่อยวางทันที น, นะเพราะฉนั้นถ้าโยมปุ๊บกับพิบตาเดียวกลับมาได้หลุดปั๊บกับพิบตาเดียวกลับมาได้ทีนี้แหละสติโยมจะค่อยๆจะเร็วยิ่งกว่า C, อินทรีย์พราชั้นเลิศโยมก็ต้องทําตรงนี้ให้ดีขึ้นดีขึ้นต่อไปโยมก็จะค่อยๆเห็นว่าจิตเนี่ยจางคลายและดับ ตรงนี้แหละกําลังในการปล่อยวางเรามีทันไหมเพราะนั้นศรัท ธ, ธาวิริยาสติสมาธิปัญญาต้องพร้อมถ้าให้โยมเข้าวิมุตตได้ชั่วโมงหน้าโยมจะลังเลไหมเฮ้ยลูกที่บ้านไม่มีอะไรกินเอาไงดีว่าไม่มีใครดูแลบ้านเนี่ยโยมจะเข้าหรือไม่เข้าคงมานั่งคิดกันอีกเหมือนกันนะเฮ้ยเราจะไม่ได้กลับมาเจอลูกหลานเลยนะเนี่ยโอ้มอย์ ตกลงแล้วเรายังไม่อยากไปจริงไงใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นศรัทธาต้องร้อยเปร์เจริงจริงวิริยะความเพียรสติต้องไวสมาธิต้องตั้งมั่นจดจ่อยอยู่ตรงนี้ปัญญาต้องเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้ผู้รู้อีกต่อไปก็จะไม่ไปเกาะผู้รู้ดวงใหม่วิญญาณดวงใหม่อีกต่อไปก็จะโวสกขาคือปล่อยวางสะละลง ก็จะเข้าวิมุตต์ได้ทันทีอย่างนี้เ <c oughs> <c oughs> นั้นขั้นตอนอจริงๆในการเข้าวิมุตต์มีแค่ช่วงจังหวะแค่เนี้ยเห็นนะต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมัยไม่ต้องมาแต่ก่อนอาตามาเคยมองว่าเฮ้ย hey, ผู้เจ้าผู้ดี่มันง่ายเกินไปมั้งไม่ใช่มั้งเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์วิจารณ์คำพระศาสดาไปเรื่อยๆเพราะเรามองเหตุผลไม่ออกว่มันจะไปวิมุตตได้ยังไง นั่งรู้ลมเฉยมันจะไปบิมุิได้ไงบอกนั่งรู้ลมเข้าบิมุดไดนะ้มันไม่น่าเชื่อโยมก็เลยมองว่าผู้เจ้าพูดง่ายเกินไปมั้งคงไม่ใช่หรอกเอาวิ่งไปหาคาคนโน้นคนนี้อธิบายเพิ่มเติมไาปาผิดทางไปอีกอย่างเนี้ยนะก็เลยอธิบายให้ว่าจริงๆช่วงจังหวะเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองและดูที่ผู้เจ้าตัดว่าสติ แล่นไปสู่วิมุตต์ตรงเป๊ะเลยไหมสติคือการแล่ึกได้เอากลับมาปุ๊บเนี่ยผ่านวิมุตต์แป๊บหนึ่งนลยเห็นไนหะนั้นสติแล่นไปสู่วิมุตต์จริงๆมันนําเราให้ไปเข้าวิมุตต์ได้แต่สติก็ไม่ใช่วิมุตต์แต่สติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตต์เห็นไหมเพราะสติยังเป็นธรรมายเกิดดับ น, นะความไม่พลาดของคำพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้ารอบรู้จริงๆ แล้วกำหนดบทพัชณไม่เคยปิดพลาดนะเจตสิกจิตมีกี่เรื่องบอกหมดแล้วเนาะอเค น, นะครับมีคำถามเกี่ยวกับปฏิบัติมาอีกสิกว่าคำถามขอคลาสลับไปสลับมานะครับเ <c oughs> นื่องจากผู้ถามได้สะสมความรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิมาเยอะพอเวลาจะนั่งสมาธิจะเกิดอาการต่อต้านว่าเดี๋ยวจะต้องเข้ารวัง เดี๋ยวจะโล่งสว่างแล้วกําลังจะไต่เข้าชานี้ไปชานี้แล้วเลยเกิดอาการรอคอยและต่อต้านตัวเองเวลาจะนั่งสมาธิเลยนั่งไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนควรจะทําอย่างไรข้อสองถามว่าเวลา น, ะนั่งสมาธิจิตสงบเราจะเริ่มออกไปคิดโน้นคิดนี่บางทีความคิดมันโผล่ออกมาแล้วเราอยากรู้อยากรู้สึกคิดต่อทั้งๆ ท, ท, ที่พอคิดต่อแล้วเหนื่อยปวดหัวมากกว่า มากกว่าการนั่งสมาธิอย่างเดียวโดวยไม่คิดแต่ก็ห้ามตัวเองไม่คิดไม่ค่อยได้ทำอย่างไรดีแล้วก็สุดท้ายถามว่าสอนหลักการภาวนาด้วยครับภาวนามาสียวันยิงถามหลักการภาวนาที่ทำอยู่นี่มันก็ภาวนาแล้วไหนอ่าข้อแรก สังสมความรู้เรื่องสมาธิมาเยอะพอกันกับอาตมาแหละก่อน ก, ก็นั่งท่องคำไวยกรรมกว่าจะเลิกไวยกรรมได้ก็โอ้โหเป็นปีนะไปนั่งดูลูกแก้วอีกสามปีนะก็จะมาเลิกลูกแก้วได้โอ้หาวมาเนี่ยต้องเพียสมองทีละเรื่องทีละเรื่องอื ม, อ ม, อม ก็เกิดอาการรอคอยนะจริงๆมันไม่ได้ยากเลยอย่างว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าผวังเนี่ยคำว่าผวังเนี่ยโยมโยนทิ้งไปเลยเป็นอัตคาถานะผวังเนี่ยเป็นคําแต่งใหมนะ่ไม่ต้องไปสนใจยโยนทิ้งไปเลยนิยามเกี่ยวกับว่าผวังเนี่ย จบไปได้เลยนะไม่ต้องสนใจนะนั้นเออโยมก็มาดูว่าผู้เจ้าสั่งเวลาสติสัมโพชฌงทำยังไงให้เธอเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงนะแค่มีสติไม่ลืมหลงในอะไรถ้าใช้ลมอย่าลืมลมก็โยมตั้งเจตนาแค่ว่าอย่าลืมลมหายใจฉันจะต้องไม่ลืมลมนะตรงคำพราศาสนาไหมตรงเป๊ผู้เจ้าบอกอย่าลืมหลงในลมอ่ะ อันเราก็ไม่ลืมลมไม่ลืมกายจิตหลุดจากลมปุ๊บอย่าลืมกลับมานึกถึงลมใหม่จิตหลุดไปปุ๊บกลับมานึกถึงลมหมยทำแค่นี้พอละเนี่ยขณะที่จิตหลุดไปเนี่ยโยมก็เช็คสิถ้าโยมอยากจะรู้ว่าโยมเข้าฌานอะไรนะโยมก็ดูว่าจิตเราคิดอกุศลไหมในสมัยนั้นคือในช่วงนั้นโยมไม่คิดอกุศลเลยก็ฟันธงได้ว่าสมัยนั้นเราได้ปฐมฌานแล้ว ในขนาดนั้นแค่นั้นเองอะ่นะนั้นเกณฑ์วัดสอบของผู้เจ้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่จะทําให้เกิดความเสียหายแม้แต่คุณธรรมพระโสดาบันเหมือนกันโยมบอกโอ้ oo, ทำไมมันง่ายอ ย, าอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันกันเต็มไปหมดดีเป็นเต็มกอดีนะแล้วโยมบอกผู้เจ้าบอกมันไม่ทําให้คนสําคัญผิดเหรออย่างนี้สําคัญผิดกันเต็มเลยสำคัญผิดยิ่งดีสมมุติว่าโยมสําคัญผิด ว่าเป็นระโสดาบันหมดเลยนะโยมจะต้องเป็นยังไงโยมจะต้องมีสินห้าบริบูรณ์แล้วทุกคนจะต้องคอยระวังสินห้าตัวเองไม่ให้ผิดดีไหมละ่ะคนทั้งสังคมคอยระวังสินห้าตัวเองไม่ให้ผิดโอ้โหสุดยอดเลยสําคัญผิดเยอะๆนะเป็นโสดาบันไนงะใช่ไหมนั้นมีแต่ประโยชน์นะผู้เจ้าบัญญัติไว้เนี่ยผู้เจ้าต้องคิดแล้วล่ะโยมไม่งั้นเนี่ยบัญญัติมาก็เสร็จ เ, เกิดผลเสียมากกว่าผลดีไม่ได้ ผู้เจ้ารู้หมดนะว่าบัญญัติอันนี้แล้วสาวกจะเกิดความประมาทจิตคนจะเกิดความประมาทอะไรยังไงเนี่ยพินาหมดเยี่มมีคําถามหนึ่งที่ผู้เจ้าตอบภาษาริบุตรไงวะที่ภาษาลิบุตรไปฟังปริพาชคมาบอกว่าคนมีกิเลสตกนรกหมดแล้วผู้เจ้าภาษาลิบุตรไม่รับรองไม่คัดค้านคาปริพาชกก็เดินมาถามผู้เจ้าบอกจริงหรือไม่ผู้เจ้าบอกไม่จริงสาริบุตร บุคคลอีกเ้าจำพวกมีกิเลสแต่ไม่ตกนรกโสดาบันสามจำพวกสกาัตาคามินอนาคามีฆ่าแล้วก็อธิบายไปจนจบเสร็จแล้วพรุทธเจ้าก็บอกว่าสารบุตรทำปริยายนี้ถ้าไม่ถูกถามเฉพาะเจาะจงจะไม่ยอมตอบเพราะว่าจะเป็นเหตุให้สาวกเกิดความประมาทพรุทธเจ้ารู้หมดนะ่ะว่าบัญญัติอะไรแล้วจะทําให้เกิดใครประมาทไม่ประมาทหรือมันมีกําลังใจขึ้นหรืออะไรสัพพัญยูนะไม่ต้องห่วงเพราะฉนั้นอะไรที่หลุดจากปากพรพุทธเจ้า รอบครอบแล้วนะเอาไปใช้ได้เลย <c oughs> นั้นเวลานั่งสมาธิโยมก็ไม่ต้องไปกังวลว่าอ่าจะคอยอย่างนั้นอย่างนี้ก็คอยละความเพลินอยู่กับลมละความเพลินอยู่กับลมแล้วหน้าที่เราทำแค่นี้นะไม่ต้องไปโมโหไม่ต้องไปลำคาญจิตก็จิตมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นมันจะเกิดดับนะหน้าที่เราเราทำแค่นี้ นั่งสมาธิจิตสงบเริ่มออกไปคิดนั่นคิดนี่บางทีมผมแล้วอยากจะรู้คิดต่อเนี่ยไออยากจะรู้ไปคิดต่อเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรผู้เจ้าเรียกความกำหนัดในวิญญาณอยากรู้หรือเรียกว่าสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนะเพราะฉะนั้นตัณหานำพาไปละเกิดอุปทานสร้างภพแล้วสร้างชาติคือสัญโยคะผูกต่อไป วินาทีแรกสร้างพบวินาทีที่สองที่รู้ต่อคือชาตินะูกับอารมไปเรื่อยๆจนทั่งชลาโมออนะดับอย่างนี้ <c oughs> วันนั้นโยมก็แค่ว่าระลึกได้กลับมาที่ลมเพราะขณาที่จิตออกไปโยมลืมลมแล้วเห็นนะก็กลับไปดูที่ผู้เจ้าสั่งอย่าลืมลมนะลืมแล้วก็สั่งง่ายๆอย่างเดนิดเดียวอย่าลืมลมไม่ต้องทำอะไรมากนะ ขณะที่ทําตรงนี้แหละภาวนาแล้วเนี่ยหลักภาวนาทําแค่นี้แหละที่กล่าวว่า <c oughs> ภาวนาได้อานิสงส์สูงสุดมากกว่าให้ทานแต่มาคิดดูผู้ได้ประโยชน์คือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะอธิบายอย่างไรให้ผู้อื่นและตัวเราเข้าใจจะแนะนําให้เข้ามาปฏิบัติอีกข้อหนึ่งถามว่าต่อไปจะมีการจัดกลุ่มผู้ปฏิบัติเก่าใหม่หรือไม่จะได้เข้าสู่กลุ่มและกลุ่มใหม่พระอาจารย์จะได้อธิบายละเอียด ถ้าอ่านพุทธเจะนะแล้วไม่เข้าใจศั์ บ, บางคํำหาคําตอบได้ที่ใดครับในโปรแกรมโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดนี่เรบรรจุพุทธนานุ ก, กรมเข้าไปด้วยแล้วสอง0 0ื่กว่าคำนะแล้วน่าจะพุทธนานุ ก, กรมหลายๆสำนักคกงหลายหมื่นคําอยู่นะยมก็าสามารถตรวจคนหาคําแปลได้ ส่วนพจณ น, นุกรมก็เชื่อได้สัก 90% กว่าเปอร์เซ็นต์นะร้อเพราะว่าพรจ้ น, นุกรมผิดเราก็เจอมาแล้วที่สกาัตาคามีไงพจ้า น, านุกรมก็แปลว่ากลับสู่โลกมนุษย์คราวเดียวนะจะแปเหมือนกันเลยกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวคือโลกมนุษย์แต่จริงๆเป็นเทวดาคราวเดียวเพราะฉนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องไปหาในคำพัสสัสดาอยู่ดี โยมลองนึกดูว่าเวลายมเป็นคนทำพจานานุกรมคนแรกโยมจะทำยังไงในเมื่อโยมไม่มีพจานานุกมที่ไหนเขาดูโยมก็ต้องรู้คำพระศาสดาต้องคล่องคำพระศาสดาอย่างมากที่สุดแล้วก็เอามาทำไงได้ไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วต้นต่อก็คือพระศาสดาใช้คำนี้ยังไงก็คือต้องใช้อย่างนั้นนะถ้ายมไปเจอคาว่าปรินิพาน ไปเปิดพจนานุกรมเหมือนเราเรียนในสมัยเด็กๆปรินิพานใช้กับผู้เจ้าเวลาตายปรากฏว่าผู้เจ้าใช้สารีบุตรปรินิพานอ้าอีกแล้วเรียนมาผิดอีกแล้วกระทรวงศึกษาเนี่ยเห็นนะ <c oughs> ไปเจออีกข้อสูตรหนึ่งผู้เจ้าใช้อ่าปรินิพานในขณะที่จิตหลุดพ้นในขั้นสุดท้ายอาอีกแล้วนั้นปรินญิพานใช้ขณะจิตหลุดพ้นก็ได้ ปริธานใช้กับการกายแตกทำลายของสาวกก็ได้ของผู้เช้าก็ได้เห็นนะในยากว้างขึ้นนั้นเพราะฉะนั้นุกรมก็อย่างอนิจจังแต่ก็โอเคละก็ได้ระดับหนึ่งนะถ้าจะให้ถูกต้องเราก็ต้องไปดูคำพระศาสดาอีกคนหนึ่งที่กาภาวนาได้ในส่งสูงสุดนะ มาคิดดูได้แต่ประโยชน์ของผู้ปฏิบัติเท่านั้นอันนี้โยมก็คิดผิดอีกแล้วคิดไม่กว้างเท่าพระศาสดาใครว่าได้ประโยชน์กับตนเองพูุ้ทธเจ้าบอกว่าการเจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยเป็นการรักษาตัวเองด้วยและรักษาผู้อื่นไปด้วยในตัวโยมปฏิบัติภาวนาดีๆโยมกลับไปบ้านลูกเมียก็ไม่ต้องเดือดร้อนพะโยม กลับไปเม า, วาคว้างขวดขว้างแก้ว น, นี่เพราะไม่รักษาตัวเองเพราะไม่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมกลับมาถึงเฮ้ยเพิ่งไปป้นแบงมาทําไงเนี่ยเดี๋ยวตํารวจจะตามมาแน่เลยเดี๋ยวขอหลบไปก่อนนะเนี่ยคอยโกหกเขาด้วยนะอา้าวลูกเมียเดือดร้อนอีกแล้วนี่เพราะไม่ไม่รักษาตัวเองใช่ไหมแค่โยมรักษาตัวเองนี่ลูกเมียสบายสังคมไม่เดือดร้อนเห็นนะโยมมองแคบมากเลยเนี่ยพระเจ้ามองกว้างเห็นนะ คุณเจบอกว่าเมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนเมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรเล่ารักษาตนด้วยการเสพธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทำให้มากซึ่งธรรมะนี่แหละเมื่อรักษาตนอยู่จะมีผลเป็นการรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นเป็นอย่างไรแล้วก็คือรักษาตนเป็นอย่างไร รักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักให้เอ็นดูนี่แหละเมื่อรักษาผู้อื่นอยู่จะมีผลเป็นการรักษาตนด้วยนะภิกษุทั้งหลายเมื่อคิดว่าเราจากรักษาตนก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิดเมื่อคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิดเห็นนะเป็นการรักษาทั้งคู่ย่อจะเห็นว่าพระเจ้ามองแง่มุมกว้างมาก หรือแค่ศีลห้าเนี่ยโย <c oughs> <c oughs> แค่ศีลห้าเนี่ยพู้เจ้าบอกว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศโยไม่ต้องไปวิ่งให้ทานปล่อยนกปล่อยปลา อ, อะไรพู้เจ้าบอกว่าแค่เธอไม่ฆ่าสัตว์เนี่ย ถือชื่อว่าเป็นอภัยทานอาววรทานอภัยญาประชาทาน <c oughs> เป็นการให้ทานชีวิตไม่มีประมาณเลยนะการไม่ลักทรัพย์ก็เป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีไม่มีประมาณนะแค่โยมไม่ปล้นแบงค์เนี่ยโอ้โหทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นไม่ต้องเสียพี่โยมโดยอัตโนมัติเลยนะดูพุทธเจ้ามุมมองของพระองค์กว้างขวางกว่าเรามากนั้นปรับมุมมองสมัย ไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้แค่เราคนเดียวยมดูพระเจ้าตรัสรู้คนเดียวเนี่ยเผื่อแผ่พวกเราขี่คนมานั่งปฏิบัติกันอยู่ขี่คนเนี่ยนี่ที่เดียว น, นเนี่ยนะแล้วอีกที่ในประเทศไทยเยอะแยะไปหมดเลยดวงจิตอีกหลายๆดวงที่เป็นภิกษุสงฆ์ที่หลุดพ้นจากอาสวะไปนะ <c oughs> ประโยชน์มหาศาลนะคนมีความทุกข์แล้วพ้นทุกข์ได้ก็เพราะรักษาตนนี่แหละแล้วก็เผืแผ่ผู้อื่น จัดกลุ่มผู้ปฏิบัติใหมหรือเก่าก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะอาตมาไม่ได้เป็นผู้จัดกลุ่มในตรงนี้นะอาตมาแค่มาถ่ายทอดบอกสอนไว้รออาคารนี้เสร็จก่อนนะเนี่ยอาคารขึ้นให้โยมดูหรือ่ังนะอาคารเออถ้าอาคารนี้เสร็จเดี๋ยวเรา จะมีทีมที่เข้าไปจัดนะหรือใครยังว่างงานก็มาสมัครได้ก็สามารถจัดเองได้ละนะจัดกลุ่มแล้วก็อาจจะแบ่งเก่าใหม่มีทั้งคระมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่แล้วก็จะสอนพุทธวจนะอย่างเดียวแจกตำราที่เป็นพุทธวจนะอย่างเดียวอาจมาให้เ้ากันงบสาหรับ ทำหนังสื อ, เ, อเรามีหนังสือพุทธศวยนาติดมาไหมไม่ได้มีใช่ไหมให้เขากันงบไว้ทำสื่อธรรมะทั้งหมดนะแล้วก็กันงบไว้สำหรับบริหารเพราะอาคารนี้ประมาณพั น, ะ น, น1000กว่าล้านนะในในพันกว่าล้านเนี่ยก็ตัวอาคารมัน600กว่าล้านยังไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆ เพราะเราคิดว่า <c oughs> เราจะทำให้เป็นทั้งที่ถ่ายทอดสดนะออกไปได้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้าไปจะเป็นแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะทีเ่เราสามารถถามเข้ามาได้ตลอดอาตมาสามารถอบรมคน 1,000 คนแล้วก็ซักถามกันได้ตลอดเวลานะโดยที่ไม่ต้องคอยยื่นไม่ให้กันเซลลานะแล้วก็ถ่ายทอดไปได้ เ, เมื่อสาขาเรามีมากเนี่ยอย่างทุกวันนี้ในแต่ละที่นะอย่างตรงนี้ก็ถ่ายทอดกลับไปวัดกลับไปที่โน่นที่นี่ไปทุกที่นะแล้วเราก็เป็นว i ดีโอคอนเฟอเรนซ์ในเว็บไซต์ตอนนี้ก็คนเขียนโปรแกรมเนี่ยทำให้แล้วแต่ก่อนต้องไปจ้างเขานะดีว่าทำให้สำเร็จนะหลายแสนกันนะทีนี้มีคนเขียนโปรแกรมให้ทาให้ฟรีหมดนะเรามีวดีโอคอนเฟอเรนซ์ในเว็บได้ทีนี้เราจะ ลิงก์ไปที่ไหนก็ได้เราก็สามารถพูดคุยกันได้เหมืนนอนาตมาไปบรรยายอยู่ที่โรงงานหนึงนะเขาก็วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ห้โรงงานมาฟังธรรมพร้อมกันนะแล้วเขาก็ถามคําถามเข้ามาเราก็เห็นภาพเห็นได้ยินเสียงคําพูดเขาเขาถามอาโรงงานที่1มีข้อสงสัยไหมเขาก็ถามมาอาโรงงานที่2 3 4ถามสี่ถามๆเราก็ตอบไปสามารถ ประชุมพร้อมกันได้ในทุกที่โดยที่ไม่ต้องอยู่รวมกันนะก็เกิดประโยชน์พอสมควรนะเพราะระยะทางการเดินทางมาไปก็เป็นอุสปสรรคพอสมควรเหมือนกันตรงนี้ก็จะทำในจุดนั้นด้วยแล้วก็มีโยมคนหนึ่งมีความสามารถด้านการทำทีวีดาวเทียมซึ่งเขาทำให้ให้วัดธรรมกายให้วัดหลวงตามหาบัวให้วัดสังฆทานมาเนี่ย แล้วตอนนี้เขาจะมาทำให้เราด้วย <c oughs> แล้วเขาก็เคยทำให้ที่นั่นแล้วเขาก็เปลี่ยนเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยากจะสนับสนุนพุทธพัชนาเพราะเขาคิดว่าคำพู้เจ้าดีที่สุดก็เลยต้องมีมีมีห้องสาหรับอ่าเป็นอุปกรณ์ด้านการถ่ายทอดสดดาวเทียมแล้วก็จะมีดาวเทียมหนึ่งช่องตลอด24ชั่วโมงซึ่งใช้งบประมาณ30ล้านบวกลบแค่นั้นนะ ในงบตรงนี้พันกว่าล้านนีต้องกันมาได้แล้วก็เขาจะกันงบไว้ให้ร้อยล้านเพื่อบริหารไว้5ปีเลยในช่วงแรกที่ยังไม่มีเจ้าภาพเข้ามานะต่อไปพอพอมีคนเข้ามาปฏิบัติเรื่อยๆนะเขาก็จะมีเจ้าภาพมาเลี้ยงดูผู้ปฏิบัตินะโดยที่ไม่ต้องอาศัยงบประมาณส่วนกลางแล้วก็ สื่อธรรมะ ต, ต่างๆเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราไม่เน้นการก่อการสร้างแต่เราก็เห็นประโยชน์ของการที่อบรมครั้งหนึ่งแล้วรู้เรื่องได้ทีละเป็นพันเพราะตอนนี้เราเริ่มมีพระมากขึ้นเราไปบรรยายทีพระ700องค์พันองค์ปั๊บเนี่ยเราขอเวลาเขาแค่สองสาวันเอารถบัสขนเข้ามาเลยอบรมที่นี่ปั๊บเนี่ยให้เข้าใจหมดนะแจกข้อมูลให้เขาหมดนะแล้วเขาก็ เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพอีกคนต่อไปนะเชิญสร้างไม่ได้สร้างที่วัดอยูอ่คนที่จะทำเขาถวายที่ดินให้ด้วยอยู่ตรงคลองเจ็ดคลองเจ็ดทางคลองหลวงน ะ, ะก็เขาเขาเป็นคนบุกเบิกธุรกิจให้กับซีพีในประเทศจีนแล้วก็ ประเทศในายานเอเชียเขาจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วกอ็อะไรที่ทำไม่ได้เนี่ยเขาจะทำให้ได้ตรงนี้แรงใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปสร้างให้เจริญได้อย่างเงี้ยนั้นที่ไหนที่ซ p พจะขยายธุรกิจเขาจะส่งคนนี้เข้าไปน ะ, ะนั้นเาก็คนนี้เขาก็มีศรัทธาในพุทธวจนะเขาก็เลยอยากจะทำให้นะก็เขาบอกประมาณสามปีน่าจะเสร็จ นะกกต้อองรยสันึดี <c oughs> คาถามถัดไปถามเหมือนกันนะคะว่าอาคารที่กำลังออกแบบสร้างอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรครับก็คลองเจ็ดต่อคลองแปดนะเจ็ดต่อแปดที่ประทุมคลองหลวงคลองหลวงติดน้องเสือคาบเกี่ยวอำเภอกันอยู่ตรงรอยต่อพอดี <c oughs> ว่าอยู่กับปัจจุบันเป็นพุทธวจนะหรืออัตถกาถาได้ยินพระอาจารย์มาใช้สอนหลายครั้งโดยไม่ได้ยกพระสูตรให้ดูเลยมีคําถามอยู่ในใจว่าพระพุทธองค์ทรงสอนน้อมอ้อหรือไม่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันหรือมีพระสูตรตรงๆครับทําไมจะไม่มีนะอันนี้คงจะไปเจอหลักสูตรของดอนไหนโศกแล้วมั้งยมตรวจเองสิตรวจเองคําว่าทิฏฐธรรมะแปลว่าปัจจุบัน ทิฏฐธรรมไม่รู้จั ก, กะนะภาษาลีบูตยังบอกว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการประกอบสุขวิลาธรรมในทิฏฐธรรมชาติหนึ่งสองสี่ผู้เจ้าให้ใช้เป็นวิลาธรรมในการอยู่ปัจจุบันไงสุขวิลาธรรมในปัจจุบันใช่ไหมโอ้ง่า ย, ายๆเนี่ยมี ย, ยากเลยนะทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันวิบากมี3ระดับวิบากในทิฏฐธรรมคือวิบากในปัจจุบัน วิบากในอุปปัชชะคือเวลาถัดมาวิบากในอัปปะประประยาเวลาถัดมาอีกพระสู่ทั้งนั้นน่ะไหนยังไม่ใช่ไหนไม่มีใช่อืมแล้วการที่โยมเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจุบันหรอแล้วปัจจุบันของโยมคืออะไรหรือที่สอนการาทะสอนการาทศไม่ใช่สอนการาทะสอนกาาาับพิสูจนชื่อเถระนะ ภิกษุเทระเนี่ย <c oughs> เป็นผู้ที่ชอบอยู่ผู้เดียวจนเป็นที่เรื่องลือในหมู่ภิกษุนะผู้เจ้าก็เลยเข้าไปสอนเราว่าเทระการอยู่รูปผู้เดียวของเธอก็มีอยู่ไม่ใช่ลกล่าวว่าไม่มีแต่การอยู่ผู้เดียวที่แท้จริงเนี่ยก็คืออดีตก็ละได้แล้วนะอนาคตก็ละได้ และปัจจุบันก็กําลังถ่ายถอนนี่เนี่ยร่างกายเนี่ยปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันหรอเนี่ยใช่ไหมจะว่าคําว่าปัจจุบันไม่มีแล้วผู้เจ้าให้ติดให้ตั้งจิตอยู่กับกายไม่มันไม่ใช่ปัจจุบันหรอถ้ามันไม่ใช่กายนี้ไม่ใช่ปัจจุบันแล้วอะไรคือปัจจุบันของโยมเลยมันจะงงกันใหญ่เลยอือเพราะนั้นลองเอาไปดูดีๆเอาไปใค่อยๆดีๆนะ ที น, นี้ไอ้ปัจจุบันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเองนะบางคนคิดอนาคตบางคนคิดอดีตแล้วบอกเนี่ยผมอยู่กับปัจจุบันเนี่ยกำลังคิดอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ปัจจุบันแท้เพราะว่ายังไปคิดในสัญญาสังขารณักนะขณะจิตนั้นมันยังไม่ใช่ปัจจุบันอันนี้เป็นกรอบกว้างๆแบบจิตอธิฐานการงานนะบางทีโยมทํางานสักอย่างเนี่ยโยมก็ต้องใช้อดีตอนาคตมาแต่โยมยังอยู่ในงานนะก็ยังชื่อว่าเป็นกรอบของการมีสติสัมปชัญญะ อย่างนี้เทระน่าจะอยู่ในอริสัตย์ภาคปลายเลยเจอไหมเห็นนะสิ่งอันเป็นอดีตก็ละได้แล้วสิ่งอ st ันเป็นอนาคตก็ไม่มีทางจะเกิดขึ้น ส่วนชันทราคะในอัตภาพอันได้แล้วทั้งหลายอันเป็นปัจจุบันก็นำออกหมดสิ้นก็นำออกแล้วหมดสิ้นดูก่อนเทละอย่างนี้แลเป็นการอยู่คนเดียวที่บริบูรณ์พิสดารกว่าการอยู่คนเดียวชนิดของเธอไม่ใช่กายไปอยู่คนเดียวนะจิตมีเพื่อนสองตลอดเลยคิดโน่นคิดนี่นะอันนี้วิเวกในจิตนี่ของแท้นี่อยู่คนเดียวที่แท้จริงเห็นนะ โอ้โหคำว่าปัจจุบันมีบานเลยตัวดีๆอาตมาไม่อยากใช้คำอัตรกรถาหรอกถ้าใช้ก็จะต้องแก้เช่นว่าเราก็ให้พรยนะถาวาลีวาหาปุลาปริปุเรนติสาขาลังไปดูดินอนไหนโศกอย่างยะถาอยู่ไหมอยังยะถาอยู่เลยพอญาติโยมที่อยู่ วัดเร า, เ, าเคร่งครัดในพุทธวจนะมากๆเขาก็ถามอาตมาว่าอาจารย์ครับไอ้ที่ให้พอรอยู่เป็นอัตถกถาหรือพุทธวจนะเอออัตถกถางั้นเปลี่ยนมาเราก็เปลี่ยนกันใช่ไหมอาตมายาถามมานุง่งจะดยี่สิบ ป, ปีเปลี่ยนเลยใช่ไหม <laughs> เปลี่ยนได้ไม่ยากนะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันก็ของเก่ามันติดมาก็อาตมาก็บอกโยมแบบว่ า, วาอาตมาก็อัตถกถามานะเนี่ย ซึมซัา ม, มาจากครูอาจารย์ก็เกิดมายุคเดียวกันนะี่ยที่ยุคอัตกถาเฟื่องฟูนะอ <c oughs> เราก็ถือแบบเดิมมาตลอดโยมคิดดูสิจะเปลี่ยนแต่ละอย่างนะมันกระเทือนหมดนะนะนก็ไม่เหมือนกับคนนั้นคนนี้แค่ไม่รับเงินโยมกระเทือนพระวัดบ้านอีกกี่วัดนะสามหมื่นะ 30, วัดนะ่ะวัดในประเทศไทยมีวัดสายปฏิบัติกี่วัดกะจิตหนึ่งนะ่ะอืม พระสามแสนมีมีพระสายปฏิบัติกี่องค์ <c oughs> แต่ก่อนอาตมา น, <c oughs> นั่งเช็คสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาท่านพุทธทาสนะลายพวกนี้นี่มีประมาณเจ็ดพันองค์นะในเจ็ดพันองค์เนี่ยเราให้เบิ้ลไปหมื่นหนึ่งเอาตกสำรวจอีกหมื่นหนึ่งเป็นสอง0มื่นะฉนนั้นที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยสองสองหื่นปดนะ สองแ8นที่ปฏิบัติให้สองมืก็เหลือ 2,08 โอ้โหยมเดินชนแต่พระแบบไหนนะเพราะนั้นเป็นธรรมดาเลยโยมวิเคราะห์ดีๆนะไม่อยากว่าตามสถานที่ปฏิบัติต่างๆคุณมีพระแบบไหนไปนำนำในสถานที่นั้นเนี่ยว่าแล้วก็เทือนหมดเลยเห็นนะ เอวันนั้นเราก็ค่อยๆเปลี่ยนนะคณะอัตมาจะเปลี่ยนจากสองสองเจ็ดเนี่ยก็เคยปฏิโมกษ์ว่าสองเจ็พออ่านท่านพุทธาธิเออท่านพุทธาธิก็ไปค้นคว้ามาบาลีก็บอกร้อยหสิบเราเช็คดูว่าจริงปะโอบาลีมันสนตรปฏิโมกษ์ร้อยห้าสิบจริงเฮ้แต่สินมีแค่นี้เหรอ <c oughs> คนเข้าใจผิดนึกว่าอาจารย์ครึง่งริบเป็นลดศินของพระพุทธเจ้าจากสองเจ็ดหลือร้อยห้าสิบเข้าใจผิดอีก สินพระพุทธเจ้ามี 2,000 ักว่าข้อนะบัญญัติกรปฏิโมก363ข้อปฏิโมกร5 0ยอภิสมาจารอย์ 1,940 s. อันนี้นับคร่าวๆนะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเอามาให้ทำเป็นเล่มอีกอันหนึ่งนะแต่ให้สวดแค่150ไม่ใช่เอา 2,000 กว่าข้อมาสวด150ินนี้ก็นั่งสวดกันเป็นชั่วโมงแล้วโยนะถ้าสวดสองพักว่าข้อใครจะจำได้บ้งเนี่ยนะ แค่ร้อยห้าสิบนี่ยจะมานั่งท่องอยู่ปีกว่านะกว่าจะจำได้นะเห็นคนเก่งๆก็ท่องประมาณสามสี่เดือนนะถึงจำได้นะเนี่ยเล่มขนาดนี้ต้องจำทุกหน้าทุกตัวอักษรไม่ผิดเลยนะจะมีคนทานแบบผิดปุ๊บคอยบอกผิดปุ๊บคอยบอกเลยเนี่ยเพราะนั้นก็ท่องแค่เราปรับมา ท่องปฏิโมกข้อยี่สข้อโอ้โหวัดสายเราเดือดร้อนเลยน้องบวพงเดือดร้อนนะไล่เราออกมาบออไม่เป็นไรช่างเขาใช่ไหมเห็นนะมามาเปลีย่ยนยถาอาตมาไม่ยถาอีกอาตมามาอนุโมทนาวัดอาตมาก็ให้พระโตให้ทีมพระสแกนหาซิว่าอนุโมทนาวัดที่ศาสดาบัญญัติไว้มีกี่พระสูตรอประมาณ8พระสูตรใน8พระสูตรมีบทที่ พระทุกวันนี้สวดสวดกันเนี่ยก็เทตมาสวดอยู่ก็คืออายุที่เขาต้องอยู่อายุโทรพราโทตีโรที่ขึ้นอันเนี้ยกับกาเล ท, ทันติสปัญญาวัฒนยูวีธรรมาชาลาเราก็สองพระสูตรนี้มาเป็นบทอนุโมทนาของเราซึ่งก็เป็นพุทธวิชชาครบละอย่างเงี้ยที่เหลืออีก5้าพระสูตรเราก็ไม่ได้นํามาสวดนะเพราะว่าพระจะยิ่งไม่คุ้นเคยใหญ่เลยว่าท่านสวดอะไร ใช่ไหมแต่เป็นพุทธวจนะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในบาลีสยามรัฐทั้งนั้นนะเพราะนั้นเราแตกลูกตำลาออกไปเยอะมากจนเราลืมออริจินอลตัวเก่าบาลีสยามรัฐทุกคนจะอ้างแต่คำพีวิสุทธิมักซึ่งถูกแต่งขึ้นพันกว่าปีทำไมคุณไม่อ้างบาลีสยามรัฐข้อมูล2อ0พรปีเก่าสุดใช่ไหมเนี่ยนั่นก็ปัจจุบันมีเนาะทิฏฐ ธ, ธรรม ว่าปัจจุบันผู้เจ้าให้อยู่ชั้นหนึ่งสให้เป็นวิหารธรรมของเธอในปัจจุบันถ้าจิตมีความสว่างสงบลมก็จะละเอียดมากขึ้นแล้วมีความนิ่งก็จะดูที่ความนิ่งของจิตแบบวิธีหรือเปล่าผู้ถามเคยศึกษาการปฏิบัติมาหลายวิธีเช่นผู้สอนให้ใช้คำใบิกรรมบ้างแต่ผู้ถามใช้แล้วก็รู้สึกมันอึดอัดมากจนต้องออกจากสมาธิ มาคอสของพระอาจารย์มีความรู้สึกว่าได้ฟังทเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้นวงเล็บต้องขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงข้อถามว่าหนังสือพุทธวจนะที่มีห้าเล่มกับหนังสืออริเวนัยจะไปหาซื้อได้ที่ไหนผู้ถามเคยคิดว่าจะหาซื้อหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านตอนนี้เปลี่ยนใจอยากศึกษาหนังสือพุทธวจนะครับ อ, อ, ยอย่าเอเลยพระไตรปิฎกเราถ้าจะเอาพระไตรปิฎกกรอพุทธวจนะ33าเล่มที่กําลังจะทํำนี้ดีวกว่า เดี๋ยวจะตายก่อนก็เอาเล่มจิ๋วนี้ไปก่อนแล้วกันนี่เป็นรอเดี๋ยวเกิดเสร็จไม่ทันนะอ่านี่ของท่านผู้ท่านนะห้าเล่มแากพระโอษฐนะถึงแม้จะมีข้อผิดบ้างก็โอเคแหละอาตมาก็ศึกษาจากของท่านนี่แหละนะเราศึกษาไปเราก็จะเห็นข้อผิดเองโดยอัตโนมัติเลยคำมันจะขัดกันเองนะอาจะรู้ค่อยครู้เองไปเรื่อย ถ้าจิตมีความสว่างสงบลมละเอียดมากขึ้นมีความนิ่งดูที่ความนิ่งของจิตแบบนี้จะถูกวิธีหรือเปล่าก็ถูกก็คือเข้าไปเฝ้าดูก็ตรงบทพรชนะพระศาสดาเนี่ยเวลาจิตตั้งมั่นแล้วไม่ว่าจะขั้นตอนใดก็ตามพู้เจ้าบอกให้เธอนั้นเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นให้ดีก็จบแล้ว แล้วไปดูพระสูตรที่เชื่อมต่อไปว่าแล้วทำยังไงเมื่อโพชฌงเจ็ดบริบูรณ์แล้วเนี่ยวิชาวิมุตจะบริบูรณ์ก็คืออาศัยวิเวกวิลาคะนิโรธน้องไปเพื่อโภศคาร์นั่นคือยมไปเฝ้าดูอะไรเฝ้าดูให้เห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือแล้วก็คอยสลัดคืนแค่นี้เองนะก็ถูกแล้วนะ เวลานั่งสมาธิไปนานประมาณ40นาทีก็ดูลมหายใจเข้าออกและละทิ้งความคิดที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏว่าเหมือนมีสิ่งที่คล้ายๆเปิดไฟและมีการสับคัดเอารู้สึกมันมืดไปหมดแม้ความคิดจะเข้ามาแต่ก็รู้สึกว่ามันน้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งมืดๆนี้เหมือนกับเราดำน้ำไปในที่ลึกๆแล้วหายใจแผ่วเบาครั้นก็หมดเวลาเมื่ออาจารย์บอกครบหนึ่งชั่วโมงแล้วถามว่าสิ่งนี้สภาวะนี้คืออะไร ในข้อถามว่าอยากสวัสดิ์ภูมพระพุทธเจ้าท่านเทศเรื่องญาณไว้หรือไม่ครับ <c oughs> เรื่องญาณน่ะญาณคือความรู้ไงฌานคือการเพ่งนะคือสมาธิ4ี่ระดับแรกญาณคือความรู้อาศาะรัะญาณาาคือญาณคือความรู้ที่ไม่มีในคนทั่วไป ก็คือคุณสมบัติของพระโสดาบันเมื่อเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเธอมีอสาธรณะญาณ น, นะหรือว่าเห็นวิญญาณเนี่ยวนอยู่ในสขันเนี่ยนี่อสาธรณะญาณญาณคือความรู้รู้อะไรละ่ะรู้ว่าต้องรักษาสิทธห้ารู้ว่าต้องมั่นคงในพระ ร, รัตนตรัยรู้ว่ามรตมีองค์แปดคือหนทางที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกเนี่ยความรู้ในอริสัตถ์นะก็คือญาณความรู้ สภาวะอะไรก็ตามนะมที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนมีอะไระเปิดปิดไฟมืดไปหมดไม่เป็นลายนะรับรู้มันไปแหละนะแล้วก็ปล่อยไปซะ ม, มีน้อยมากถ้าเทียบกับสิ่งมืดนๆนี้เหมือนเราดําน้ําไปลึกหายใจแผ่วๆนะก็ เฝ้าดูไปก่อนนะพุทธเจ้าบอกว่าเวลาทําสมาธิไม่สงสัยว่าอะไรนี่อะไรนี่อย่างไรไม่ต้องไปสงสัยเป็นผู้ดูเฉยๆนะแล้วเอาอาาริสัตเข้าไปจับสิ่งที่รับรู้มานั้นเนี่ยเกิดไหมดับไหมเกิดไหมดับไหมแล้วก็ปล่อยวางไปปล่อยวางไปนะไม่สงสัยว่านี่อะไรนี่อย่างไรขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยอธิบายทําไมพระพุทธเจ้าถึงตรัส มีสัมปชัญญะก่อนมีสติขอถามว่าทาไมพระในสีลังกาและพะมา่าวงเล็บซึ่งเป็นนิกายเถราวาดเหมือนกันถึงถูกตัวผู้หญิงได้เช่นเวลาเดินผ่านกันไม่ต้องหลบหลีกเพื่อระวังไม่ให้ถูกตัวกันขอสาถว่าทาไมเวลาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติจะเห็นหรือะระลึกรู้การเกิดดับได้ดีและชัดเจนกว่าเวลาปฏิบัติภาวนาขอความคุณาประจารช่วยแนะนาด้วยในข้อกล่าวว่า คำว่าที่กล่าวถึงเรื่องวิญ ญ, ญาณก้าวสู่ขันแล้วแตกสลายในเวลาต่อมาเหตุปัจจัยอันใดเป็นสาเหตุในการแตกสลายของวิญญาณครับ <c oughs> การละฉันท่าไงละความปลอดใจมีเหตุปัจจัยทั้งหลายอย่างนะอย่างพระโสดาบันพวกเอกพีชีเนี่ยสังเกตไม่ว่าพู้เจ้าจะใช้คำว่าพบมีพบคราวเดียวไม่มีพบที่8นะ ตัวเอกพิชีเนี่ยยมไปดูแต่ละแต่ละอันของโสดาบันนะผู้เจ้าจะใช้คำไม่เหมือนกันเทเวจะมนุษย์เสจะอันนี้คือเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเจ็ดชาติเวลา 2-3 ถึงชาติทำไมไม่ใช้คำว่ามนุษย์แต่กลับไปใช้คำว่ากลับมาสู่สกุล2ถึง3าล่าวเปลี่ยนคาว่ามนุษย์เป็นสกุลนะสกุลในที่นี้ไปดูในระบบวินัยที่ผู้เจ้าพูดมีคานี้ นะสกุลก็คือตระกูลของมนุษย์ก็คือกลับมาสู่ตระกูลมนุษย์นะเติบโตใช้ชีวิตในตระกูลนี่แหละส่วนพวกที่อักได้เป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะก็นี้กรณีคำถามสุดท้ายนะเวลาแตกสลายเนี่ย ก็คือเขาละความพอใจในสิ่งสิ่งนั้นที่พระุทธเจ้าบอกไนงะถ้าราคะคือความพอใจในรูปาธาตุเวทนะธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุเนี่ยวิญญาธาตุเป็นสิ่งที่พิสุล่ได้แล้วอารมณ์สาหรับวิ ญ, ญญาณก็ขาดลงอารมณ์สําหรับวิ ญ, ญญาณจะขาดลงเมื่อเราละฉันทราคะความเปลินพอใจได้นะพุทธเจ้าจะใช้คําว่าราคะตัวเดียวแทนเพราะฉะนั้นแค่ละราคาตัวเดียวจิตหลุดพ้นเลย ราคาตัวนี้แทนโทสะโมหะได้หมดเหนะ็นไหดูวิธีการใช้คำพูดของผู้เจ้าดังนั้นเราไปเราไปเค่งคัดเรื่องคำพูดเนี่ยว่าเอ๊ ะ, อ, ะอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้แบบนั้นไม่ได้มันมีการใช้คำพูดที่กว้างแคบนะราคาตัวเดียวตรงนี้ผู้เจ้าบอก่าระได้ก็คือจิตหลุดพ้นเลยเพราะราคาในหลาราคาในขันห้าไม่ใช่ไม่ใช่ราคาในบ้านรถคนกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างนี้นะ อ, อมีสติมีสัมปจน์ก่อนสติ <c oughs> <c oughs> นอนในสติปัฏฐานน่ะเหรอนั้นเวลาสติปัฏฐานเนี่ยขณะนั้นเนี่ยจิตมันอยู่กับลมแล้วนี่เยิ่มเมื่อจิตอยู่กับลมแล้วเนี่ยผู้เจ้าจะเรียกว่าอะไรผู้เจ้าก็ต้องเรียกสัมปัญญะเพราะตัวนี้คือสัมปัญญะสติคืออาการละลึกได้ละลึกได้เกิดมาแล้วก็ดับไปแล้วแล้วก็เหลือสัมปัญญะ ถ้าสัมปชัญญะต่อเนื่องยาวนานก็จะเรียกว่าเธอมีสมาธิคือใจตั้งมัน่นตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอันนี้นะผู้เจ้าจึงตรัสสัมปชัญญะมาก่อนแล้วบอกว่าสติน ะ, ะมีสัมปชัญญะมีสติคือคอยระลึกได้ตรงนี้นะเพราะขณะนี้ขณะที่จิตอยู่กับลมเนี่ยคือสัมปชัญญะนะขณะที่ระลึกได้กับมาเนี่ยคือสติอาการระลึกได้ตรงนี้นะ <c oughs> นั้นตอนนี้ผู้เจ้ากำลังอธิบายจิตที่อยู่กับลมท่านต้องพูดสัมปชัญญะก่อนนะทาไมศรีลังกาพระมาพะะถูกตัวผู้หญิงได้ถูกตัวผู้หญิงเวลาเดินผ่านนี่ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าผิดวินัยตรงนั้นนี่ยมแกะทุกบทพันชนะสิอา้าวท่องให้ใหม่ อันหนึ่งภิกษุได้กำหนัดแล้วมีจิตแปรปวนแล้วถึงความเข้าลึงด้วยกายกับมาตุคามเดินสวนไปเข้าลึงกายหรือปะไม่ใช่จับมือก็ตามจับช่องผมก็ตามรูปพวามมณีวะอันใดหนึ่งก็ตามเป็นสังคาธิเศษแกะทุกบทพยัญชนะซี่ใช่ไหมเวลาพระนอนป่วยหมอพยาบาลผู้หญิงมาฉีดยาให้เป็น ไ, ม, ไม่เกี่ยว แต่ถ้าอย่างอะไรอ่ะพระต่างประเทศที่ไปผู้หญิงมาแล้วจับมืออ้าอันนี้เข้าขายน ะ, อ, ะอันนี้เข้าขายแต่ถ้าขึ้นรถเมเบียดกันอะไรอย่างเนี้ยไม่เข้าขายนะเดินชนกันไม่เข้าขายหมอพยาบาลมาจับเราไม่ได้จับคนนี้เขาจับก็เรื่องของเขาเพราอผู้เจ้าห้ามพิสูจไม่ได้ห้ามผู้หญิงใช่ปะอ่าเนี่ยทุกบทพันธนาโยมคมมากของผู้เจ้า วินัยเนี่ยตีความได้ทุกคำเหมือนกฎหมายเลยโยมตีความกฎหมายแต่ละมาตาโยมต้องตีความทุกตัวอักษรแต่กฎหมายเนี่ยมนุษย์บัญญัติยังมีข้อผิดพลาดยกเลิกได้เปลี่ยนได้ปรับปรุงผิดไม่ผิดได้อะไรแต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนตลอดกานโยมหละแกะได้ทุกคำเลยนะเห็นนะนี่วินัยนะธรรมะเหมือนกันโยมลองไปแกะธรรมะโอ้โหเราจะเห็นสุดยอดมากพพุทธเจ้า ระยมจะวิเคราะห์ได้หรือปาไม่มีสาวใครทำได้เลยละเอียดมากนะเวลาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติเห็นเกิดดับ <c oughs> แล้วจริงระลึกรู้จะเห็นหรือระลึกรู้เกิดดับได้ดีกว่าอ๋อแล้วแต่เยอะนะ ถ้าใช้ชีวิตประจำวันเห็นเกิดดับได้ดีก็เอาตรงนั้นนะเวลานั่งภาวนานะมันบางทีมันก็ตั้งท่ามากมันก็เลยไม่เห็นละมั้งนะไม่เป็นไรหรอกยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่เห็นอยู่ในบททั่วไปเห็นก็ดีแล้วนะถ้าปฏิบัติเองที่บ้านพระพุทธองค์ทรงสอนหรือไม่ว่าคารคนเดินจงกรมและนั่งสมาธิใช้เวลาเท่าไหร่ในแต่ละวันครับขอบคาแนะนาด้วย อ๋ <c oughs> อคาราวะนี่ในคาราวะชั้นเลิศก็ไม่มีนะเนะีเมืม่อเดินจงกรมนั่งสมาธิขนาดไหนคาราวะเนี่ยผู้เจ้าไม่ไปบังคับอะไรเท่าไหร่นะสอนหลักในการปฏิบัติแต่ภิกสูเนี่ยผู้เจ้าลูกศิษย์ท่านเองนี่ท่านก็บีบบังคับได้ หลังฉันให้เดินสลับนั่งนะคือสอนแบบเข้มงวดได้แต่มีกับทำกับวินัยนะพิสูุไม่เดินสลับนั่งตั้งแต่หลังฉันถึงสิ้นยามแรกแห่งลาตีมีอาบัติไหมไม่มีไม่ได้ทําตามนั้นมีอาบัติไหมไม่มีนี่คือเรียกว่าไม่ผิดธรรมคือผิดธรรมแต่ไม่ผิดวินยัยนะพราะนั้นจะมีสิ่งที่ว่าไม่ทาปุ๊บมีความผิดออย่างเนี้ย นั้นตรงนี้ก็คือบอกสอนในสิ่งที่เป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อการหลุดพ้นได้เร็วได้ไวแต่ถ้าใครกำลังไม่พอกำลังไม่มากพู้เจ้าก็ต้องมองแล้วก็ไม่เป็นไรนก็อันนี้เอาตามกำลังของโยมนะพอพะผู้เจ้าขอแค่ลัดนิ้วมือเดียวก็ยังสรรเสริญแล้ว ในธรรมานุปัสสนาเราจำเป็นต้องเห็นอารมณ์จางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนเป็นขั้นๆไปหรือไม่เวลาผู้ถามเห็นจิตเปลี่ยนจากขันไปอีกขันจะเห็นแค่การดับเลยทันทีครับนี่แหละคือความละเอียดของพระศาสดาเห็นแค่การดับเลยทันทีแน่นอนก็คนฝึกก็อย่างนี้แหละนะ เห็นดับไม่เห็นเกิดเห็นเกิดไม่เห็นดับบ้างเห็นปุ๊บปุ๊บไปเลยถ้าโยมนั่งสมาธิลึกๆมากๆเนี่ยโยมจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตช้าลงนะแล้วยมจะเข้าใจว่าอ๋อผู้เจ้าอธิบายเนี่ยอธิบายจากแสดงสติท่านละเอียดมากจิตท่านละเอียดถึงขณะที่สามารถขยายการอธิบายในสิ่งที่มันเป็นเวลาชั่วหนึ่งในล้านวินาทีเนี่ยปุ๊บ ออกมาให้เห็นได้น ะ, ะเหมือนในพวกนักวิทยาศาสตร์ที่มันอธิบายอิเล็กต r o n โปตอนอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมมันเอาอะไรมาอธิบายใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันของมันเล็กนิ ด, นดเดียมองไม่เห็นนะแต่เขาอธิบายได้วิ่งวิ่งวิ่ไปมาแล้นเรามองตาเปล่าก็ไม่เห็นนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เครื่องมือแต่ผู้เจ้าใช้สมาธิจิตเรานี่แหละ ฝึกไปทำไปเดี๋ยวเห็นเองนะเพราะนั้นมันจะคล้ายๆกับที่ผู้เจ้าให้ทิ้งอารมณ์เร็วกระพริบตายก็โอ้กระพริบตามันจะไปทำยังไงนะเผลอทีก็เป็นนาทีเป็นสิบนาทีทั้ทงนั้นนะแต่พอทำไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างเนี้ยโยงจะเห็นได้เลยว่าเราพัฒนาขึ้นทิ้งอารมณ์ได้ไวเดี๋ยวต่อไปก็ททำได้เองอ่ะตั้งใจทำไปเรื่อย <c oughs> ผู้ถามได้ฟังธรรมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วมีความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสรุปได้ว่าให้คนวงเล็บมนุษย์อยู่กับจิตมีที่มีสติตลอดเวลาที่คิดทำพร้อมปฏิบัติศีลภาวนาทำบุญกุศลเผยแพร่ศาสนาอย่างถูกวิธีวงเล็บพุทธโอดของพระพุทธวจนะเปรียบเหมือนวิชาการเรียนการสอนหากการเรียนการสอนที่ผ่านมาไม่ถูกไม่ถูกต้องก็คงไม่มีใครจบปริญญา เพราะต้องถูกต้องตามตำราอย่างโรงเรียนพุทธวจนะก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ทางเดียวกันทั2 2> ่วประเทศและทั่วโลกในอนาคตสำหรับประชาชนทั่วไปควรมีสินห้าและสินแปดพร้อมสติตลอดก็น่าจะเพียงพอวงเล็บและทำบุญพร้อมอุทิศบุญเข้าใจถูกหรือไม่ก็เปนพระอาจารย์พิจารณาด้วยครับถูกถูกถูกถูกเชียร์ตมาก็เชียร์ได้ผลได้ผลมาอยู่ ไม่คือวันได้ขนาดนี้ก็เอาแหละนะก็กำลังค่อยๆทำนี่ก็มี <c oughs> เอ่อก็อย่างที่โยมบอกเนี่ยมันต้องต้องปรับไปต้องปรับตำราเพื่อให้เหมือนกันทั่วประเทศเนี่ย่า น, น, นก็นะรอเหตุปัจจัยที่จะสามารถเข้าไปได้ถึงระดับผู้ปกครองประเทศนะนี่ก็จะมีกองเลขาของนายก ปัจจุบันสนใจและกําลังจะเอาพุทธวจนะเนี่ยเข้าไปนะในสภาแล้วก็ให้ผู้ปกครองประเทศเนี่ยรู้จักแล้วจะได้ต่อไปจะได้เปลี่ยนหลักสูตรทางกระทรวงศึกษาเนี่ยให้มันตรงกับพุทธวจนะให้ตรงกับหลักฐานที่เก่าที่สุดในประเทศไทยที่เราถืออยู่แต่เราไม่ได้เข้าไปศึกษาไม่ได้เอาข้อมูลในนั้นมาไงอ่เรามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะก็หลายๆคนกําลังช่วยกันทําอยู่นะต้อง เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันแต่ก็ค่อยๆทําไปค่อยๆชี้แจงให้เข้าใจ <c oughs> คนที่บ้านนับถือพุทธเหมือนกันแต่ปฏิบัติคนละแบบเขานับถืออาจารย์เขามากชวนให้ผู้ถามทําบุญแบบโ น, น้นนี่แต่ผู้ถามไม่เห็นด้วยเลยและโกรธก็กลัวบาปเพราะเขาปฏิบัติมากกว่าผู้ถามควรทําอย่างไรดีคนปฏิบัติธรรมต้องชวนคนอื่นทําบุญและปฏิบัติธรรมด้วยหรือโดยที่รู้ว่าคนรอบๆข้างเขาเบือ่อครับ ก็ไม่เป็นไรนะอดทนเป็นธรรมดาทุกคนก็คิดว่าปรารถนาดีเหมือนเนะคนที่อยู่ทางนั้นก็บอกว่าออืเขาเนี่ยโยมก็ต้องนึกเขาปรารถนาดีเขาเห็นว่าอุ้ยคุณกําลังหลงผิดเนี่ยเขาก็ปรารถนาจะให้เราเดินถูกไอ้เรา เขาหลงผิดมาเดินถูกซัต่างคนต่างดึงกันไปดึงกันมานะไม่รู้ของใครถูกแน่นี่แหละก็ค่อยๆอธิบายเขาสิเอหนังส uh ือซีดีอะไรไปให้ฟังบางกันี่ยยังไม่รู้จะฟังหรือเปล่าเนาะการบดการบดภิกษุณีในเมืองไทยถูกต้องหรือไม่ทำไมคนบางกลุ่มกล่าวหาท่านพุทธทาสสอนผิดเรื่องอภิธรรม แล้วก็อีกข้อหนึ่งถามว่ามองโลกในแง่ร้ายถือว่าผิดศีลข้อใดไหมครับเมื <c oughs> ่อภิกษุณีในเมืองไทยถูกต้องไหมก็ไม่มีผิดเนี่ยพูะเจ้าท่านก็บัญญัติเรื่องการบรวชภิกษุณีไว้อยู่แล้ว น, นะคนไม่คนไปบัญญัติเองอเวลาเข้าไปกล่าวโทษ พระองค์นี้ไปบวชภิกษุณีองค์นั้นตามผิดไปเกี่ยวข้องกับพิกษุณีเขาอ้างบัญญัติแห่งพระาศาสดามาั้ยไม่ได้อ้างเลยนะออกข่าวกันเต็มไปหมดเลยอ้างกฎหมายมาตรานั้นระเบียบมาตรานี้ไม่เห็นมีใครยกพุทธวจนะพระาศาสดาบัญญัติสิกขาบทอันนี้อันนี้ท่านผิดด้วยสิกขาบทของพระาศาสดาอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีเลยกล่าวตู่เขาลอยลอยโดยไม่ได้อ้างคำพระาศาสดานี่แหลนะนะ ระบบอาจารยิวาทอัธกถ า, ธาครอบงามจนแบบว่าสงทล้อกันเองนวเนียไปหมดไม่มั่นใจเหรอพระาศาสดาเนี่ยวางระบบของพิษุนีมาแล้วนะั่นคือท่านป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วบนะ <c oughs> อกกับพระนนเหมือนทำนบน้ำมันพังแล้วก็ตถาคตเนี่ยทำทำนบน้ำขึ้นใหม่ซึ่งก็ไม่รู้อาจจะแข็งแรงกว่าเดิมก็ได้นะตัวทำนบน้ำที่กั้นขึ้นใหม่คืออะไร ตคุรุ ก, กรรมแปดประการคุรุธรรมแปดประการเนี่ยภิกษุณีต้องรักษาตลอดชีวิตห้ามละเมิดนะนั้นบอกไปหมดแล้วบวชในบวชในสงฆ์สองฝ่ายภิกษุณีสงภิกษุสงขั้นตอนทำอย่างไรมีหมดนะเวลาอยู่อยู่ยังไงภิกษุณีแม้บวชร้อยพรรษาก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม่บวชในวันนั้นพอมีภิกษุณีผู้เจ้าก็ต้อง วางระบบซีเนียริตี้มาตกลงใครจะเคารพใครหรือมันใหญ่ทั้งภิกษุภิกษุณีเราใหญ่เท่ากันเลยแล้วใครจะฟังใครผู้เจ้าจัดกลุ่มเลยภิกษุณีต้องฟังภิกษุนะ <c oughs> นี่ดูครูธรรมแประการ100ปีก็ต้องทําการกราบไหว้ลุกลับทำอัญเชิญกรรมสามมิจฉกรรมแกภิกษุที่อุปสมบทแม้ในวันนั้นขัดใจไหมโอ้ขัดใจนะแต่เพื่อให้รู้ว่าใครต้องเคารพใครนะ ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในวาที่มีภิกษุโยมไปดูสิว่าภิกษุณีที่อยู่กันทุกวันเนี้ยมีอาวะตัวเองแล้วอาอาวะตัวเองไม่ว่ากันนอกพรรษาอยู่ได้แต่ถ้าในพรรษาต้องเข้ากฎนี้จะเชิญภิกษุไปอยู่ด้วยหรือจะต้องตัวเองออกมาเพื่ออยู่ในอาวะที่มีภิกษุก็ต้องมาเข้ากรอบตรงนี้เฉพาะในบรรษาเห็นนะทํากันหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทําก็แสดงวันละเมิดคลุทำแ8ประการ ภิกษุณีต้องหวังทำสองประการคือถามวันอุโบสถและเข้าไปฟังคําสอนจากภิกษุสงฆ์ทุ ก, กึ่งเดือนภิกษุณีที่มีอยู่ในประเทศไทยไปฟังโอวาทภิกษุทุ ก, กึ่งเดือนไหมมีใครเข่งคัดในวินัยข้อนี้เห็นนะยากเหมือนกันนะอ่านั้นเป็นภิกษุณีมาแล้วเนี่ยคุณบอกเป็นภิกษุณีแล้วทําตามระเบียบที่พระศาสดาบัญญัติไหม ถ้าทำก็โอเคก็ไม่เห็นเป็นไรก็ภิกษุณีก็มีได้เพราะพผู้เจ้าบัญญัติมีแล้วก็คือมีไม่มีความผิดอะไรนะภิกษุณีต้องอยู่จำพรรษาอยู่จำพรรษาแล้วต้องปรนนณาในสองสองฝ่ายโดยสถานสาปรนนาเนี่ยหมายถึงวันออกพรรษาเนี่ยพเจ้าจะาให้งดลงอุโบสถและให้ทำปรนนณา1หนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งแค่นั้น ภวนาคืออะไรทุกองค์จะต้องพูดว่ า, าหากความประพฤติปกองใดๆของข้าพเจ้าปรากฏแก่ท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายเนี่ยจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นอยู่จักแก้ไขต่อไปขอความเมตตาให้คณะสงฆ์ทุกองเนี่ยช่วยว่าตัวเองด้วยว่าตัวเองเนี่ยทำผิดอะไรบ้างมีอะไรที่ไม่ดีที่เขามองแล้วหรือได้ยินมาแล้วหรือรู้สึกแล้วเขาไม่ ไม่โอเคกับเรานะให้วันเดียวโอเพนถกกันได้เต็มที่นะวันเนี้ยแตกกันระเบิดเลยนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารู้ว่ามันเปิดโอกาสแล้วมันจะแตกกันเนี่ยให้เลื่อนวันปรณนาออกไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ถกกันพอหอมปากหอมคอนะ ภิกษุณีจะต้องทำในสงฆ์สองฝ่ายเลยนะมาให้ภิกษุสงฆ์ด้วยภิกษุณีต้องทําที่หนักแล้วต้องประพฤติปะธรรมนั้นในสงฆ์สองฝ่ายอภัตสังฆาธิเศษของภิกษุณีเนี่ยเมื่อต้องอบัตแล้วเนี่ยต้องประกาศความผิดประจานตัวเองในทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์อย่างเนี้ยหนักเหมือนกันนะต้องแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายเพื่อสิกมานาผู้มีสิกขาอันศึกษา แล้วในธรรมหประการศิน6ในศินแนะมั่นตลอด2ปีภ <c oughs> ิกษุณีต้องบวชในสองฝ่ายผู้เจ้าบอกเลยต้องบวชภิกษุณีสงก่อนแล้วบวชภิกษุสง์ก่อนจะบวชก็คือเพื่อสิกขมามนานะต้องเป็นสิกขมามนาก่อน2ปีและรักษาศิน6ไม่ขาดตกบกพร่องสองปีผิดแล้วเริ่มใหม่นะอย่างนี้เพราะนั้นกว่าจะเป็นภิกษุณีได้ยาก พิสูจน์ไม่พึงด่าไม่พึงบริภาษพิกษุไม่ว่ากรณีใดๆไม่มีสิทธิด่าว่าภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นห้ามเลยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสั่งสอนพิกษุนะเปิดทางให้พิกษุณีทั้งพิกษุทั้งหลายสอนพิกษุณีได้นั้นภิกษุเป็นผู้สอนภิกษุณีฝ่ายเดียวห้ามพิกษุณีสอนพิสูจห้ามด่าว่าห้ามสอนทุกกรณีเลยเห็นนะ โอมาเพื่อปฏิบัติจริงๆไม่ต้องสอนไม่ต้องไม่ต้องสอนภิกษุนะแต่สอนผู้อื่นได้ไหมได้ถ่ายทอดได้นะและจัดเป็นนักบวชเหมือนกันอุปสัมบั น, นะ <c oughs> ที่พระเจ้าวางกฎระเบียบตรงนี้ก็เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมพพระเจ้าบอกอนุนการมีภิกษุณีเนี่ยศาสนาอายุจะหายไปครึ่งหนึ่ง โยมถ้าเราเบียบมันไม่เข้มงวดเนี่ยเอาผู้หญิงกับผู้ชายมาอยู่ในอาวาสเดียวกันเนี่ยเละเรียบร้อยใช่ไหมศาสนาไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่การส่งจีวรให้กันเนี่ยนะภิกษุกับภิกษุณีผู้เจ้ายังปรับรบาปนะปรับรบติเพราะอะไรไม่ได้ปรับเพราะว่าส่งมือต่อมือนะแบบมาตุคามอย่างนี้นะไม่เป็นไรไม่ใช่อบัาปเพราะตรงนี้อาบาปเพราะว่าไม่ใช่เป็นของแลกเปลี่ยนนะหรือ ภิกษุณีนั้นมิใช่ญาตินะอตอนนั้นเวลาอยู่ในว่าดเดียวกันด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมีความเ อ, อื้ออาทร์กันตัดเย็บจีวรให้กันะยื่นสงให้กันอะไรอย่างนี้อ่ะไม่ได้ละเห็นไหมผู้เจ้าป้องกันไว้หมดอย่างนี้คือมองรู้หมดว่าอาการจิตคนเนี่ยจะเ อ, อื้อเฟื้อการเ อ, อื้ออาทร์กันมันจะมีอาการยังไงภิกษุไม่มีอะไรภิกษุณีไม่มีอะไรมันจะออกทางไหนมันจะออกทางบริขาร จีวรให้บาดกันให้อะไรต่ออะไรนี่กิเลสพระก็จะออกทางนี้นะเสนาสะนะดีดีบาทดีดนะีจีวรดีดีอย่างนี้นี่ทางออกของกิเลสของนักบวชนะพรเจ้าก็จะรู้หมดมบัญญัติห้ามไว้แปดข้อนี้นางพิสุนีพึงเคารพรักษานับถือบูชาโดยไม่ละเมิดตลอดชีวิตนะห้ามผิดตลอดชีวิตเลย นี่เรื่องพิกษุณีนั้นการบวชพิษุนีมีได้ไม่ได้ผิดอะไรทำให้ถูกต้องตามาวินัยละกันเพราะผู้เจ้าบัญญัติแล้วก็คืออาการลิโกใช้ได้ตลอดการทำไมคนบางกลุ่มกล่าวหาท่านพุท ธ, ธาสอนผิดเรื่องอภิธรรมก็ท่านพุทธาตก็ว่าอภิธรรมก็ถูกแต่งขึ้นน่ะแต่ <c oughs> ท่านไม่มีวิธีพิสูจน์อ่อตมาถึงบอกเราโชคดีที่เรามีวิธีพิสูจน์ ซีดีโปรแกรมตัวนี้นีน่เรามีวิธีพิสูจน์ก็เร็วโยมไม่ต้องคอยเปิดหนังสือเล่มหนาๆอย่างนี้4ี่0้าิบเล่มกดวินาทีเดียวแล้วยมก็แยกแยกข้อมูลได้เราจะเห็นเลยข้อมูลที่เป็นพุทธวจนะที่อยู่ในอภิธรรมเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มวลีคาพูดผู้ใช้โอ้มันมีแค่นี้จริงๆที่เหลือเนี่ยโยมโยมยังไม่เห็นข้อมูลมาอยู่ในกระบี่ของอธิกถาทั้งนั้นเลยนะ เราจะสังเกตเห็นกลุ่มของคำได้เลยโอ้กลุ่มคำมันเกาะกันอยู่ตรงนี้ในคำที่แต่งขึ้นนี่กลุ่มคำพุทธเจ้ามันจะเกาะกันอยู่ตรงนี้นะอ ม, มองโลกในแง่าลายถือว่าผิดศีลข้อใดหรือไม่อ๋อไม่เป็นไรอกุศลเกิดแค่นั้นเองนะก็ละทิ้งไปละนันทีแขนั้นเองนะพระสงฆ์ค้างบ้านโยมได้หรือไม่ ท่านจะมาหาหมอที่กรุงเทพและจะเป็นมงคลแก่บ้านหรือไม่ครับได้ค้างยา่านบ้านย่านโยมก็ได้การห้องกันสถานที่ไว้ให้ท่านจะเป็นมงคลหรือไม่ก็อยู่ที่โยมอันนี้สงฆ์ห้าประการนะเริ่มสายกับว่าเริ่มสายหรือเปล่าลุกลั บ, บว่าให้สนะไหมละความตันหนีไหมจําแนกแจกทานไหมได้ฟังทำไหมอันนสงฆ์ห้าอย่าง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์บางเวลาจะจำแต่เรื่องอดีตที่ไม่ดีฝังใจเอาไว้แล้วก็มาด่าว่าคนที่ตนเองไม่ชอบมีความโกรธกับผู้นั้นโดยที่ตัวเองไม่มีสติหลงลืมแล้วถ้าเป็นเช่นนี้จะเป็นวชิชทุจริตหรือไม่และจะมีบาปกรรมติดตัวไปพบชาติใหม่หรือไม่ครับม <c oughs> าว่าต้องสอนธรรมะเขาอะนะแล้วก็ ฝึกให้เขามีสติสัมปชัญญะฝึกเรื่อยๆก็นะแค่ให้เขารู้ลมหายใจนี่แหละนะลืมอะไรก็ลืมได้บอกเขาอย่าลืมลมหายใจนะแล้วจะได้เป็นอรอยิยบุคคลนะ mm hmm. ส่วนเป็นวจีทุจริตอะไรหรือเปล่ปาอยู่ที่เจตนาเขานะเจตนาเป็นตัวกรรมส่วนคนบ้าเนี่ยถ้ามันเป็นถึงขั้นบ้าเนี่ยโยเจ้าไม่เอาความผิดกับคนบ้านะ แล้วก็สอนไม่ได้นะเป็นกรรมเขาต้องปล่อยให้รับกรรมไปก่อนพระพุทธองค์ได้แบ่งประเภทบัวสีเหล่าหรือไม่ถ้าแบ่งแล้วท่านได้จําแนกทำที่เหมาะสมแต่ละประเภทหรือไม่อีกข้อถามว่าไม่ทราบว่าบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอยู่ในพระสูตรหรือไม่เนื่องจากคุณแม่ชอบสวดเป็นประจำถ้าไม่ควรจะแนะนําให้ท่านสวดบทใดท่านอายุมากแล้วการสวดมันเป็นความสุขใจของท่าน ัราจะนำซีดีเสียงอันพุทธวจนะไปให้ท่านฟังด้วยครับธรรมจักรเป็นพุทธวจนะนะแต่ไส้นายเหมือนกันหรือเปล่าโยมเช็คดีๆด้วยนะเดี๋ยวไปเจอไส้ในแต่งขึ้นอีกอแต่ส่วนใหญ่ก็ธรรมจักรเท่าที่เห็นในบทสวดทั่วๆไปก็เ ข, า ก, ขาก็ Copy มาได้ถูกอยู่แต่ไม่ไม่อยากไปรับรองหนังสือของใครก็ รับรองบาลีเสียรัตตัวเดียว <c oughs> บัวสี่เหล่าได้แบ่งไม้ไม่ได้แบ่งแบ่งบัวสามเหล่านะใต้น้ำปลิ่มน้ำพล น, น้ำส่วนมากวิธีก็พระองค์ไม่ได้ให้ไปคำหนึ่งตรงนี้นะพระองค์ให้คำหนึ่งบอกว่ามหาชนจะเดินตามที่ผู้เจ้าสรรเรินนะนั้นอะไรที่ผู้เจ้าสรรเริญทาตรงนั้นเดินตรงนั้น มนสวดบทใดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บ้างบทสวดเช่นวัดเช้าเย็นใช่หรือไม่อีกข้อถามว่าวผู้มีอภิญญาที่ดักใจคนได้สามารถที่จะทายใจคนได้ทุกคนหรือไม่หรือเฉพาะบางคนเท่านั้นมีการเทศมหาชาติที่เป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามีการบริจาคทานเดี๋ยวนี้เกือบแทบทุกวัดที่ในกรุงเทพมีการเทศมหาชาติการฟังเทศมหาชาตินี้เป็นการน้อมนึกถึงบารมี ที่พระเวสสันดรทรงบริจาคทานทุกอย่างและมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าได้ฟังแล้วจะมีอ น, นิสงส์มากจะได้ไปเกิดในยุคที่มีพระรีอริยะมีคนอ้างว่าพระมาลัยมาบอกพระอาจาว่าเป็นไปได้หรือไม่และการเล่นหุ้นคือการพนันอย่างหนึ่งใช่หรือไม่เป็นบาปหรือไม่ครับเยอะหลายอันได้เกินมันสวนบทไหนที่วิเจ้าตัดไปบ้างเออ พระศาสดาคือคําสอนผู้เจ้าทั้งหมดดีหมดหลุดออกจากปากแล้วเราทรงจําได้หมดเขาจะทรงจํากันทั้งหมดตามภูปัญญาของตนเองย่มไม่จําเป็นต้องสวดบทซ้ําๆก็ได้ยมเปลี่ยนบทไปเรื่อยๆเพื่อความแตกฉานในธรรมนะส่วนบทไหนที่พระศาสดาเมื่ออยู่ผู้เดียววิเวกหลีกเลนแล้วสาธยายก็คือกฎอิทับปัจจิตตาปฏิจจสุาบาติวงรอบการเกิดปฏิจจสุาบาติวงรอบการดับและสวดการพินาภัสสา เ น, นซึ่งเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานในหนังสือธรมารจะทำไว้อยู่สาธยายธรนะผู้มีอภินยายที่ดักใจคนได้สามารถที่จะทายใจคนได้ทุกคนหรือไม่หรือเฉพาะบางคนเท่านั้นตรงเนี้ยหลายประเด็นมาก ยมดูเทียบเคียงนะที่พูุทธเจ้าบอกว่ า, าคนเข้าสมาธิแล้วไปเห็นสวรรค์นะเห็นอย่างเดียวนะโตอตอบกับเขาไม่ได้นะบางทีก็เห็นแล้วก็โต้อตอบกับเขาได้นะพูดได้คุยได้ก็มีหลายระดับ <c oughs> อย่างเดียวกันคนที่เข้าคนที่ทำอภิญญาหรืออิทธิปฏิหารต่างๆได้เนี่ยต้องผ่านฌานสี่แต่คนที่ได้ฌานสี่ไม่ได้อิทธิปฏิหารเลยก็มีเหมือนได้ปืนมากระ บ, บอกใช้ไม่เป็นนะจับได้จับถูกรูปคาได้แต่เหนี่ยวกายไม่เป็นปลดเซฟไม่เป็นยิงไม่เป็ น, นใช้เครื่องมือแพทย์ไม่เป็นเหมือนกัน นั่นคนเข้าสมาธิชั้นสี่ได้ทำาริ์ไม่ได้ก็มีนะคนทำได้แล้วไม่ได้ตลอดก็มีพระบางองค์ทำได้ บ, บ๊อบแว๊ บ, บทำได้ทีหนึง่งแลยมก็นึกว่าอุ้ยพระองค์นี้คงทำไปได้ตลอดไม่ได้คราวหลังทำไม่ได้แล้วเอาละทีนี้งานใหญ่แล้วต้องเดาตลอดแล้วมองเนี่ยถามอะไรก็ต้องเดาไปอา้าวเป็นกายเป็นโกโหกอีกแลใช่แล้วก็ มันยังอนิจจังถูกหลอกได้อีกนั่นหลายองค์ก็ถูกหลอกเรื่องนี้มาแยะๆ น, ะนั่งไปเห็นนี่คนนี้จะมาวันนั้นวันนี้เวลานบอกไปนั่งคอยเออมาจริงๆวันต่อไปเห็นอีกไปนั่งคอยไม่มีใครมาเลยคอยเกอนะอย่างนี้โดนมาหลายองค์ละเราไปยึดถือสิ่งที่มันเป็นอนิจจังซึ่งมันไม่แน่นอน ความคิดของโยมโยมยังทิ้งเลยแล้วคนไปนั่งรู้ทำอะไรไปนั่งรู้ของที่เราทิ้งเหรอใช่ั้ยไร้สาระสิ้นดีเลยะ mm hmm. ันนั้นพระองค์จึงบอกะพระองค์อึดอัดขยะกขยแงเกลียดชงังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งดัะ น, นั้นโยมไม่ต้องไปสนใจเลยมันไม่ใช่หนทางสู่ความหลุดพ้นการเทศมหาชานี่ปรุงแต่งขึ้นนะ พระเวสสันดรผู้เจ้าตัดไว้ไม่กี่หน้า3ามสีหน้าในจักพระโอษฐ์เนี่ยนะและไม่ใช่เป็นชาติสุดท้ายไม่ได้เป็นชาติสุดท้ายที่พระองค์ระบุไว้และในบาลีสยามรัฐก็ไม่ได้วางตำแหน่งไว้ในตำแหน่งสุดท้ายด้วยนะอันนี้ท่านผู้ทาทก็ไปเห็นมาก่อนบอกเออที่เรารู้มาว่าพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายในบาหลีก็ไม่ได้วางเป็นชาติสุดท้ายนะเรามาพูดกันเองที่เหลือก็แต่งกันทั้งนั้น การเล่นหุ้นพ น, นันอย่างหนึ่งหรือไม่เป็นบาปหรือไม่ก็อยู่ที่เจตนาของเขานะอาชีพที่ห้ามก็มีแค่ห้าอย่างพ้นจาก5้าอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรได้หมดนะก็น่าจะใกล้เวลาแล้วมีเป็นคำถามสั้นๆนะคำถามทั่วไปถอยจะเป็นส่วนใหญ่เป็นคำถามทั่วไปนะครับพระาอาจารย์ครับเรื่องการภาวนา ก, นนะการภาวนาะจะจะจบแล้วครับพระอาจารย์ ถ้าเป็นเรื่องแบบอยากได้หนังสื อ, อ ไ, ดได้ตารางแล้วก็ความเห็นในการปรับปรุงคอสปฏิบัติหรือว่าการ<อ>ตรวจเช็คข้อมูลครับอ๋<พ>อได้ไดเดี๋ยวไปตอวันวันหลังได้ครับนะถ้างั้นก็วันนี้ก็คงตอบคําถามให้พวกเราเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้ไปท า, านอาหารกันพอดีนะก็ตั้งใจปฏิบัติกันต่อนะแล้วก็ขอให้สําเร็จสมความพัฒนากันทุกๆคนนะ เดี๋ยวคีกราบอาจารย์นะคะกราบค่ะกราบกราบเดี๋ยวก็ปล่อยไปเออ่พักกลางวันเลยละกันแล้วก็กลับมา